ก็เรียกว่ายังไม่ได้อารมณ์กันหรอกเพราะว่ามันเป็นการปรับฐานกายฐานจิตยังไม่คงที่นะผู้นี้ก็พยายามแต่ว่าไหนมาแล้วก็ศึกษามันดูว่าในการศึกษาเรื่องเหล่านี้มันได้อันใดสูงหรือทำให้เรารู้จัก เราอยู่กับสิ่งที่เราไม่รู้จักเนี่ยมันถึงเป็นทุกข์มันถึงมีปัญหาถ้าเราได้รู้จักในสิ่งที่เราเป็นเจ้าของอยู่เนี่ยมันก็จะไม่ทุกข์เพราะเรารู้จักใช้มันนะแต่ถ้าเราไม่รู้จักใช้มันสิ่งที่เรามีอยู่ก็ไม่เป็นประโยชน์นะใช้เพื่อให้มันไม่ทุกข์ไม่ให้มันมีปัญหาใช้ให้เกิดประโยชน์นะทำให้เกิดความ สุขความสบายความเยอดเย็นความเป็นะระบบระเบียบในตัวของมันดังนั้นเองก็คอยประครับประคองไปเวลาเราไปทำพระส่วนตัวก็ลองศึกษาดูนะถ้าพอนึกได้ว่าเออเวลาเราหยิบยับจับ่วยอะไรเนี่ยเราจะยื่นจะจับยังไงถึงจะรู้สักรจึกสึกชัดเนี้ยนะ ทุกกรณีแหละเท่าที่นึกได้ว่าเออตอนนี้เราเจริญสติกับเรื่องนี้ตอนนี้เราเจริญสติกับการอาบน้ําตอนนี้เจริญสติก่ยกับการจัดที่นอนตอนนี้จะเจริญสติกี่ยวกับการนอนหลับเนี่ยก็จะคุ้นไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่านานที่นึกขึ้นได้นี่ก็มันก็ยากนะเพราะเราจะตกเป็นทาสของทางจัตยานความเคยชินได้ง่าย ดนั้นเราก็ต้องตั้งสติตั้งใจที่จะรู้ในเบื้องต้นเพราะมันยังไม่ไมคุ้นชินนะสำหรับต อ, อนเช้าคนไหนตื่นมาก่อนก็ก็มาปฏิบัติที่นี่รอก็ได้นะประมาณ4 3, 5, ี่สามห้าสิบาทีสามสี่สิบนี่ก็ ทีละขังกว่าไฟเปิดนะไฟตนนเขาเปิดแล้วก็ตีละคังนะอันนั้นเองก็ในช่วงนี้อากาศแปรปรวนอยู่ก็ต้องระวังเรื่องอสุขภาพนะนะเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานอกจากนั้นการใช้ สถานที่นะสถานที่ที่เราก็อยู่กันหลายคนก็ระวัณระวังเรื่องการคุยกันหรือการพูดกันที่ทาให้เสียงดังจะทําให้รบกวนกันอันนี้ก็ระวังนะในวันต่อไปถนะ้าว่าแดดไม่กล้าฝนไม่มีก็เราก็จะได้เดินจงกรมในซุ้มนะเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นช่วงกลางวันก็ร้อ น, นก็ ตั้งใจนะเพราะว่าไหนมาแล้วก็ลองศึกษากันอย่างจริงจังดูเพื่อว่าเราจะได้เปลี่ยนชีวิตจิตใจของเราเพราะเรามีชีวิตแต่ว่าเราไม่มีสุขนี่มันไม่ได้เข้าท่านะต้องมีความสุขความสบายโดยที่ความสุขความสบายคือหาได้ในชีวิตที่เราฝึกฝนไม่ใช่หาได้ในเงินในทองเข้าของสมบัติมีชีวิตก็หา ความสุขได้ในการยืนเดินนั่งนอนอย่างมีสติอันนี้ก็เป็นความสุขที่เราไม่ต้องลงทุนด้วยราคาแพงแต่ว่าเราความสุขภายนอกเราลงทุนด้วยราคาแพงเราจะมีความสุขกับรถสักคันหนึ่งก็ต้องหมดเงินหลายแสนจะมีความสุขกับบ้านสักหลังหนึ่งก็หลายล้านจะมีความสุขกับเสื้อผ้าอาหารก็ได้ ซื้อราคาแพงๆความสุขเหล่านี้แต่ความสุขที่ได้ฟรีได้เปล่าอันเนี้ยเรามักจะนึกไม่ถึงเเพราะนั้นเราไปคุ้นกับความสุขที่เป็นลดเป็นชาติแต่เราไม่คุ้นกับความสุขที่ไม่ทุกความไม่ทุกคือยอดของความสุขแต่พอเราทุกเราคือไปแสวงหาความสุขแต่ว่าในวิธีการ จะดสติแบบนี้เราแสวงหาความไม่ทุกข์ท่านเรียกว่าบรมสุขนะเป็นสุขที่ยอดของสุขคือไม่ทุกข์นั่นเองทําไงก็ได้ที่มันแต่เรื่องกายเนี่ยไปห้ามไม่ได้ที่จะไม่ให้มันทุกข์เราเพราะว่ามันเป็นทุกข์โดยธรรมชาติของมันแต่เราสามารถแก้ไขบําบัดมันได้เรื่อยๆนะแต่ทางด้านจิตใจมันจะทุกข์ก็ถึงเมื่อเรามีอวิชาตันหาประธานเท่านั้นถ้าไม่มี วิชาธนบุทานใจเราก็ทุกข์ไม่เปลี่ยนเหมือนกันเราก็เข้าไปปรับนะปรับเปลี่ยนวิชาธนบุทานให้เป็นศีลนะสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาให้ได้มันก็จะง่ายขึ้นนะทีนี้ถ้าว่าเราได้พยายามอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็น นิสัยความเคยคุ้นชินไปเรื่อยๆต่อไปก็เราก็จะง่ายการที่จะสุขยากในการที่จะทุกข์ถ้าเราคุ้นเป็นแล้วแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดเอานะมันต้องเป็นไปทางที่เราฝึกเอาเราจะเป็นไปทางความสุขทางไหนต้องฝึกทําสิ่งนั้นอยู่เป็นประจําอยากจะให้นอนหลับง่ายก็ฝึกวิธีหลับง่ายทํำยังไง จะใหะ้มีความสงบเวลามีอะไรเกิดขึ้นวุ่นวายเราไม่วุ่นวายไปกับมันทำอย่างไรก็ฝึกจากสถานการณ์ต่างๆไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเข้าใว่าทันโตยเศโษมนุษย์เสสุในบรรดาคนทั้งหลายเนี่ยคนที่ฝึกตัวเองเป็นคนประเสริฐนะเป็นคนประเสริฐเป็นอริยะบุคคล ยินดีพอใจรักในการฝึกตัวเองก็ถือว่ า, าได้มักเส้นทางที่ถูกต้องแล้วนะเพราะตามบติเราไม่ค่อยพอใจในการที่จะฝึกตนเองพอใจที่จฝึกคนอื่นมากกว่านะพอมาฝึกตัวเองก็กลายเป็นเรื่องยากดังนะนั้นเองก็ในช่วงวันนี้มาทั้งวันก็ได้ปฏิบตัติต่อเนื่องก็พยายามใช้ความอดทนความขยันนะทั้งผู้เก่าผู้ใหม่ ในชุงเย็นวันนี้ก็สมควกับเวลาไม่มีใครสงสัยเรื่องอะไรเนาะมีไหมก่อนจะเลิกไม่มีนะทุกอย่างเคลียร์เหนื่อยก็เหนื่อยวันนี้อยากนอนแล้วเนา ะ, นะ <c oughs> ดูหน้าตาแต่ละคนอยากจะก น, นอนนะเรากราบผราพร้อมกัน